คราวที่แล้วเราได้ฟังมาถึงตอนที่พระเรวตะเดินทางมาพักที่ศาลาในหมู่บ้านพอเข้าไปก็เจอชายหนุ่มผู้หนึ่งชื่อจุลพลครั้นเมื่อได้สนทนากันแล้วพระเรวตะตก็ทราบว่าชายหนุ่มผู้นี้กําลังจะเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะภรรยาที่เขารักมากแต่งงานได้เดือนเดียวมาตายจากไปขณะนี้ เขามีความอลาลัยอาวร์โศกเศร้าถึงภรรยาของเขาเป็นที่สุดผู้จะปลดทุกข์ของเขาออกไปได้ก็เห็นจะมีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นจุนลพลได้เล่าถึงชีวิตรักอันหวานชื่นระหว่างตัวเขาเองกับภรรยาให้กับพระเรวตะฟังเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามได้ในบดนี้ค่ะ ท่านผู้สมพรศจุลพลกล่าวต่อไปหลังจากพิธีวิวาห์มงคลแล้วปฐมวดีเจ้าสาวผู้มีรูปร่างอันโสภาก็ามาอยู่กับข้าพเจ้าเราอยู่กันในปราสาทอีกหลังหนึ่งต่างหากซึ่งบิดาสร้างให้โดยเฉพาะขณะนั้นข้าพเจ้ารู้สึกว่าเป็นความสุขที่สุดในชีวิตท่านบิดาให้ข้าพเจ้าว่างเว้นจากการงานทั้งปวงเป็นเวลาถึงเจ็ดวัน เราให้เวลานั้นผ่านไปด้วยการกินการดื่มการเล่นการนอนและทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปรารถนาตอนบ่ายเราขึ้นรถเทียมด้วยมา้าไปเที่ยวพักผ่อนในสวนอุทยานอันน่ารื่นรมริมฝัง่งแม่น้ําจำปานาทีตอนกลางคืนเราดื่มและฟังดนตรีฟังเพลงขับของหญิงเต้นลนาคณะที่มีชื่อเสียงที่สุดในแคว้นอังคะ ซึ่งท่านบิดาได้ว่าจ้างมาโดยเฉพาะเพื่อบำเลอเราข้าพเจ้าอาจกล่าวได้ว่าในขณะนั้นข้าพเจ้าเป็นวีรบุรุษซึ่งมีความสุขที่สุดในโลกหากว่าในวัานั้นเท้าสกัดเทวราชจะมาเสนอให้ทิพยราชสมบัติแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็คงจะปฏิเสธอย่างแน่นอนเพราะข้าพเจ้าไม่ปรารถนาสิ่งใดๆนอกเหนือจากปัตตมะวี ขอให้ปัรมวดีอยู่แนบข้างแล้วข้าพเจ้าก็ไม่ปรารถนาสิ่งใดอีกปัรมวดีคือทิพพวาลีอย่างสุดท้ายที่มาทำให้ชีวิตของข้าพเจ้าเต็มอย่างบริบูรณ์ เจริญเมื่อเวลาอันแสนสุขนี้กำลังดำเนินไปเมื่อความปรารถนาของข้าพเจ้ายัางไม่เต็มบริบูรณ์ดีเหตุการณ์อันไม่นึกไม่ฝันก็เกิดขึ้นกล่าวคือปัตมวดีได้ล้มเจ็บลงด้วยโรคประหลาดชนิดหนึ่งในวันแรกเธอมีอาการเป็นไข้ตัวร้อนกระหายน้ำเป็นกำลังในวันที่สองก็เกิดผื่นสีแดงปรากฏขึ้นทั่วสารพางกาย ในวันที่สามเอก็ถึงวิสัญญีภาพและถึงแก่กรรมในเย็นวันที่สามนั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนข้าพเจ้าเองทําอะไรไม่ถูกการรักษาพยาบาลปัตตมวดีตกเป็นหน้าที่ของบิดาของข้าพเจ้าทั้งสิ้นข้าพเจ้าได้แต่นั่งเป็นทุกข์อยู่ข้างๆเตียงของปัตตมวดีด้วยความรู้สึกครึ่งหลับครึ่งตื่น แม้เมื่อปัตมวดีถึงแก่ชีวิตไปแล้วข้าพเจ้าก็ยังเข้าใจว่าเธอยังมีชีวิตอยู่ต่อเมื่อเหล่าญาตินำร่างของเธอไปกระทำชาปนกิจข้าพเจ้าได้เห็นพระเพิงเผาผลาญร่างของเธอจนกลายเป็นเท่าฐานนั่นแหละจึงได้ปลงใจเชื่อว่าเธอได้ตายไปแล้วข้าแต่ท่านสมณนะพร้อมๆกับที่รู้ว่าปัตมวดี จากไปแล้วยังไม่มีวันกลับนั่นเองความทุกข์ทั้งหลายบรรดามีในโลกก็โหมเข้าท่วมทับจิตใจของข้าพเจ้าจนแทบจะกลายเป็นคนวิกลจริตผิดสามัญมนุษย์ไปทีเดียวข้าพเจ้าขังตัวเองอยู่ภายในไม่บริโภคอาหารไม่ดื่มน้ำไม่เจรจากับใครเป็นเวลาสองวันเต็มๆในวันที่สท่านบิดาให้คนทาลายประตูประสาทเข้าไป ปลอบโยนข้าพเจ้าด้วยอุบายต่างๆแต่ก็หาได้ผลแต่ประการใดไม่ความทุกข์ที่อัดแน่นอยู่ในอกของข้าพเจ้าไม่ได้ลดน้อยถอยลงเลยข้าพเจ้ามิได้แต่ต้องผูชนะอาหารเป็นเวลาถึงสี่วันเต็มๆรู้สึกอ่อนระหวยโรยแรงหน้ามืดตาลายแทบว่าจะสิ้นชีพตามปฐมวาีไปต่อเมื่อวันที่หข้าพเจ้าจึงได้ยอมบริโภคอาหาร แต่ก็บริโภคได้ด้วยความยากลำบากอาหารแตละคมผ่านลำคอลงไปได้อย่างยากเย็นประดุดมีก้อนโลหะที่มีนามแหลมโดยรอบฉะนนั้นข้าแต่ท่านผู้เจริญ ความทุกข์ของข้าพเจ้าไม่ได้จํากัดขอบเขตของมันอยู่กับข้าพเจ้าเท่านั้นแต่ได้ขยายไปครอบงํามารดาบิดาญาติพี่น้องมิตรสหายตลอดถึงขาทาสบริวารด้วยทุกคนมีใจจดจ่ออยู่กับข้าพเจ้าเป็นทุกข์เลือดร้อนกระวนกระวายใจกับข้าพเจ้าแทบไม่เป็นอันกินไม่เป็นอันนอนไม่เป็นอันทํางานทีเดียวมารดาของข้าพเจ้า ดูจะทุกข์มากเป็นพิเศษเฝ้านั่งปลอบโยนข้าพเจ้าอยู่ทั้งวันทั้งคืนเพราะเห็นแก่บรดาทแท้ๆข้าพเจ้าจึงยอมบริโภคอาหารฝ่ายท่านบิดานั้นพยายามวิ่งเต้นหานักปราดราชบัณฑิตมัเทศสนาสั่งสอนปลอบโยนข้าพเจ้าบุคคลแรกที่มาปลอบโยนข้าพเจ้าก็คือพรามปุโรหิตประจําตระกูล ผู้เป็นเจ้าพิธีวิวาหะมงคลของเรานั่นเองท่านปุโรหิตเป็นผู้เชื่อมั่นในลัทธิสังขยาได้พร่ำสอนข้าพเจ้าว่าดูก่อนกุมารในส า, นากลจักรวาล น, นี้มีสัจธรรมอยู่สองประการเท่านั้นกล่าวคืออัตมันหรือปุรัสะหรือเขตกตัญญูหรือกรเกษตรลัชยะอัตมันนี้เป็นตัวตนที่แท้จริงของมนุษย์ทุกคน เป็นอมตะภาพที่มีอยู่ชั่วการนิรันดรเป็นสิ่งบริสุทธิ์สะอาดไร้หลาคีมีความสุขชั่วนิรันดร น, นี่คือสัจธรรมประการที่หนึ่งสัจธรรมประการที่สองคือปรกิจได้แก่สปปรรพสิ่งที่เข้ามาผสมคลุกเคล้ากับอัตมันทำให้อัตมันเสียคุณภาพต้องเวียนว่ายตายเกิดต้องกระทากรรมและผลของกรรมปัตตมาวดี และมนุษย์ทุกคนจะกลับคืนสู่อัตมันอันยิ่งใหญ่อีกขอให้เจ้าพยายามเพ่งพิจารณาจนกว่าจะพบความจริงข้อนี้แล้วจะสบายใจข้าแต่ท่านอาจารย์ข้าพเจ้ากล่าวขึ้นบ้างข้าพเจ้าไม่มีกระจิตกระใจที่จะเพ่งพิจารณาอะไรทั้งสิ้นเพราะหมอกเมฆแห่งความทุกข์ได้ปิดบังดวงปัญญาของข้าพเจ้าไว้อย่างสิ้นเชิง ข้าพเจ้าไม่สามารถจะพิจารณาอะไรที่ลึกซึ้งได้อีกท่านจะมีวิธีใดบ้างไหมที่จะสามารถบรรเทาทุกข์ของข้าพเจ้าโดยไม่ต้องใช้ความคิดมากนักท่านปุโรหิตอาจารย์นั่งนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวขึ้นด้วยใบหน้าแสดงความไม่พอใจกุมารเอย๋ยความทุกข์ของเจ้าเป็นเรื่องใหญ่ยิ่งยากที่จะบรรเทา ได้ด้วยสิ่งอื่นใดนอกเหนือไปจากปัญญาแม้ว่าการใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผลจะเป็นสิ่งที่ทำได้ยากก็ควรจะพยายามทำถ้าต้องการจะระงับทุกข์ข้าพเจ้าทราบดีว่าทุกข์ของข้าพเจ้ายิ่งใหญ่และเหตุที่ทุกข์ยิ่งใหญ่นี้เองข้าพเจ้าจึงต้องบรรเทาโดยวิธีง่ายๆและฉับพลันไม่ต้องการวิธียัดยากและใช้เวลานาน ถ้าจะเปรียบเทียบอาการของข้าพเจ้าขณะนี้ก็เหมือนกับบุรุษที่กำลังหยิวจัดนอนหายใจแผ่วๆอยู่ด้วยความอ่อนเพลียสิ่งที่เขาต้องการโดยฉับพลันก็คืออาหารสำเร็จรูปซึ่งจะสามารถบริโภคได้ทันทีถ้ายิ่งมีคนป้อนก็ยิ่งเป็นการดีการที่จะแนะนำให้เขาไปศึกษาถึงเรื่องโภชนาาหารอย่างละเอียดและให้เขา ไปประกอบอาหารบริโภคเองนั้นคงเป็นไปไม่ได้แน่ๆเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงได้เชิญท่านอาจารย์มาเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ให้ข้าพเจ้าโดยวิธีง่ายๆโดยที่ข้าพเจ้าจะไม่ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้ลึกซึ้งนักท่านอาจารย์มีวิธีอื่นใดก็ขอได้โปรดแนะนําข้าพเจ้าด้วยเถิดเมื่อข้าพเจ้าขอร้องเช่นนั้นท่านปุโรหิตอาจารย์ก็ถึงอาการอัมอึง ท่านนั่งกระสับกระส่ายอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ลุกขึ้นเดินออกจากห้องไปปล่อยข้าพเจ้าไว้ในห่วงมารตะทุกตามเดิม ขาแต่ท่านผู้เจริญความล้มเหลวของสาวกแห่งศาสดาปีละทําความปิดหวังให้แก่บิดาของข้าพเจ้าอย่างใหญ่หลวงท่านตรงเข้ามาสอบถามข้าพเจ้าอีกครั้งหนึ่งว่าท่านปุโรหิตาจารย์แนะนําสั่งสอนอะไรบ้างเมื่อได้ฟังเรื่องที่ข้าพเจ้าเล่าให้ฟังแล้วท่านก็ลุกขึ้นเดินกลับไปกลับมาภายในห้องด้วยจิตใจโกรนกระวาย ถอนหายใจอย่างหนักหน่วงเป็นครั้งคราวคู่ใหญ่ผ่านไปจึงมานั่งหลงข้างๆข้ า, ขาพเจ้าแล้วพูดขึ้นว่าลูกเอ๋ยอย่าวิตกไปเลยพ่อจะพยายามช่วยเหลือเจ้าให้พ้นจากวุ่งทุกข์สุดสามารถพ่อรู้จักโยคีผู้เก่งในศิลป์ตนหนึ่งบำเพ็ญฌานอยู่ในอาสมริมฝั่งแม่น้ำจัมปาพ่อจะส่งคนไปนิมนต์ท่านมาเทศนาให้เจ้าฟัง ข้าพเจ้ารับข้อเสนอของท่านบิดาด้วยอาการนิ่งโดยใจจริงแล้วข้าพเจ้าไม่มีความหวังมากนักในโยคียตนนั้นเพราะข้าพเจ้าเคยทราบมาบ้างแล้วว่าโยคียทั้งหลายเป็นผู้ยึดมั่นในการปฏิบัติโยคะยเพื่อปลดปล่อยชีวิตามันหรืออัตามันของแต่ละคนให้เป็นอิสระจากมวลทินและเข้าร่วมกับวิญญาณสากล ที่เรียกว่าปรามาตามันแม้จะไม่ทราบรละเอียดนักแต่ก็คาดว่าคงไม่แตกต่างจากทัศนคของท่านปุโรหิตาจารย์มากนักในที่สุดโยคีผู้มีนามว่าเทเวนทะก็เดินถือไม้เท้าเข้ามาในห้องลักษณะหน้าตาของท่านดูน่ากลัวกว่าน่าเคารพ บ, บูชาท่านม้วนผมไว้เป็นกระเซิงไว้ข้างบนมีหนวดเครา รุ่มร่ามใช้คิเท่าทาตามตัวใส่เสื้อผ้ากระรุ่งกระริ่งมือขวาถือไม้เท้ามือซ้ายถือหม้อน้ำทำด้วยทองเหลืองมีร่างผอมแก้มตอบดวงตาคมกริบคล้ายตาเหี่ยวพอเข้ามาในห้องท่านก็เริ่มสวดมนเริ่มต้นด้วยคำว่าโอมทันทีคล้ายคล้ายกับจะขับไล่ผู้ผีปีศาจไปเสียจากห้อง และจากตัวข้าพเจ้าโยคีเทเวนท ะ, ะนั่งหลมข้างหน้าข้าพเจ้าด้วยท่าสมาธิตั้งตัวตรงมือทั้งสองวางบนเข่าทั้งสองหลับตาสนิทแล้วก็สวดคำว่าโอมโอมไม่ขาดปากครู่ใหญ่ผ่านไปจึงลืมตาขึ้นและพูดออกมาว่าดูก่อนกุมานอันความทุกข์ในโลกนี้ มีสาประการคืออาถยาตามิทุกข์ทุกเกิดจากเหตุภายในกายใจของตนหนึ่งอาทิเผาติกทุกข์ทุกเกิดจากเหตุภายนอกหนึ่งอาทิไทยวิกทุกข์ทุกอันเกิดจากเหตุเบื้องบนเช่นอํานาจของดาวพระเคราะห์เป็นต้นหนึ่งสําหรับทุกของเจ้าเวลานี้พอจะจับได้เป็นทุกประการที่สองเพราะเกิดจาก บรณกรรมของภรรยาเจ้าการที่จะพ้นทุกประการนี้ได้โบราณจารย์แนะนำให้กระทําใจให้บริสุทธิ์ด้วยการปฏิบัติตามหลักโยคะ8ประการคือยมะสำรวมความประพฤติหนึ่งนิยมการบำเพ็ญตามข้อปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้หนึ่งอาศนะการนั่งให้ถูกวิธีหนึ่งปราณายามะการบังคับลมหายใจหนึ่ง ปัญาหาระการสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายหนึ่งสมาธิการทําจิตให้ตั้งมั่นหนึ่งข้าแต่ผู้สมงพศข้าพเจ้ากล่าวสอดขึ้นกลางคันท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าเวลานี้ข้าพเจ้ากำลังลอยคออยู่ในทะเลแห่งความทุกข์จะจมน้ำตายอยู่แล้วท่านจะกรุณายื่นมือของท่าน มาให้ข้าพเจ้าจับแล้วชุดข้าพเจ้าขึ้นจากห่วงทุกข์ทันทีไม่ได้หรือคำแนะนำอันยืดยาวตามหลักโยคะของท่านนั้นเปรียบเสมือนแนะให้คนกำลังจะจมน้ำตายไปตัดต้นไม้ลงถากไม้ต่อเรือมาช่วยตนเองข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามได้ โยคีเทเวนทะจ้องดูข้าพเจ้าด้วยสายตาเบิกกว้างแสดงความประหลาดใจเสร็จแล้วก็หันไปจ้องดูท่านบิดาซึ่งนั่งอยู่ข้างๆครู่ใหญ่ผ่านไปท่านจึงหันหน้ามาทางข้าพเจ้าก้มหน้าหลับตาแล้วกล่าวคําว่าโอมอีกด้วยสำเนียงดังกึกกรองห้องท่านคงจะมีความเชื่อมั่นว่าเพียงแค่คําว่าโอมคําเดียวเท่านั้นก็สามารถขจัดความทุกข์ ของข้าพเจ้าได้ดูก่อนกุมารท่านโยคียกล่าวอีกครั้งหนึ่งเจ้าอย่าลืมว่าเวลานี้เจ้าเปรียบเสมือนคนป่วยหนักนอนเส้ยอยู่บนธรณีแห่งความตายบิดาของเจ้าได้ไปตามหมอผู้เชี่ยวชาญในลัจุรเวทมาทำการเยียวยาบัดนี้หมอได้มาถึงแล้วพร้อมด้วยยากำลังหยิบยื่นยาคือโยคะขนานชงัก ให้เจ้าบริโภคนขณะเจ้าจึงปฏิเสธเสียเล่าข้าพเจ้าตอบท่านโยคีว่าข้าแต่ท่านโยขาจาันเหตุที่ข้าพเจ้าไม่สามารถจะบริโภคยาของท่านได้เพราะยาของท่านมี12ขนานต้องใช้กําลังมากต้องใช้ความพยายามในการบริโภคบัดนี้ข้าพเจ้าอยู่ในอาการเพียรแปรปราศจากท่านกําลังกายกําลังใจที่จะบริโภคยาของท่าน ท่านไม่มีวิธีการอื่นใดอีกแล้วหรือที่จะบรรเทาทุกข์แก่ข้าพเจ้าโดยไม่ปฏิบัติตามหลักโยคะทั้งสิบสองประการนั้นโยคีเทเวนทะหันหน้าไปจ้องหน้าบิดาของข้าพเจ้าสั่นศรีรษะช้าๆแล้วก็คว้าหม้อทองเหลืองลุกขึ้นเดินออกจากห้องไปโดยไม่ได้กล่าวคำอำลาบิดาของข้าพเจ้าดูข้าพเจ้าด้วยสายตาแสดงความหวังแล้วก็ลุกขึ้นเดินออกไป โดยปล่อยให้ข้าพเจ้าเผชิญทุกข์อยู่ในห้องคนเดียวแต่การอยู่ในห้องคนเดียวเงียบๆกลับเป็นความดีสำหรับข้าพเจ้าเพราะรู้สึกว่าทำให้ใจสบายขึ้นกว่าที่จะมีคนมารบกวน บิดาของข้าพเจ้ากลับมาต่อเมื่อเย็นมากแล้วคราวนี้ท่านบิดาไม่ได้กลับมาคนเดียวแต่มีหญิงสาวสวยคนหนึ่งติดตามมาด้วยจากการมองดูเพียงแว บ, บเดียวข้าพเจ้าก็พอจะทราบได้ว่าเธอเป็นสตรีที่สวยมากคนหนึ่งท่านบิดาส่งสตรีนั้นเข้ามาในห้องแล้วก็กลับออกไปปล่อยข้าพเจ้าอยู่กับสตรีสาวแปลกหน้าสองต่อสองข้าพเจ้าคิดอยู่ในใจว่าท่านบิดา คงจะใช้วิธีหนามยอกเอาหนาบ่งกับข้าพเจ้าเป็นแน่เพราะข้าพเจ้ากําลังเศร้าโศกเพราะการสูญเสียภรรยาสุดที่รักท่านบิดาจึงจัดหาหญิงสาวสวยพอๆกันมาเพื่อเป็นการบําเรอข้าพเจ้าเป็นการทดแทนสตรีสาวแปลกหน้าผู้ขันอาสาจะมาบรรเทาทุกข์แก่ข้าพเจ้าขยับตัวเข้ามาใกล้ข้าพเจ้าซึ่งนั่งก้มหน้าเฉยอยู่ โดยไม่ได้แสดงอาการสนใจใหญ่ดีแม้แต่น้อยเธอพูดขึ้นด้วยเสียงอันภผยระ ว, ว่า mm. กูมานเอ้ยอย่าโศกเศร้าไปเลยไม่มีประโยชน์ดอกความตายการสูญเสียการพัดพรากเป็นสิ่งที่ไม่มีใครจะหลีกเลี่ยงได้เป็นสิ่งเที่ยงแท้ที่จะเกิดขึ้นกับทุกคนบัดนี้ภรรยาของท่านก็ได้ตายไปแล้วและไม่มีวันจะกลับคืนมาแม้ท่านจะร้องไห้ จนน้ำตากลายเป็นสายเลือดก็ไม่มีประโยชน์แม้ข้าพเจ้าเองและท่านก็ต้องดับขันไปในวันหนึ่งข้างหน้าบางทีอาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็ได้ชีวิตมนุษ์นั้นสั้นเกินไปเราควรจะหาความสุขสำราญจากชีวิตอันสั้นนี้ให้เต็มที่ก่อนที่มันจะแตกสลายดับสูญมาเถิดกุมารข้าพเจ้าจะช่วยให้ท่านมีความสุขข้าพเจ้าจะบำเพอท่านด้วยความงาม ความอ่อนหวานกามรดและทุกสิ่งทุกอย่างที่สตรีจะพึงมีว่าแล้วสตรีสาวแบกหน้าก็ขยับเข้ามาจนชิดตัวกาพเจ้าเอามือเฉยค้างข้าพเจ้าเอาแก้มของเธอเข้ามาแนบแก้มของข้าพเจ้าและก็ทํำสิ่งอื่นอื่นอีกเพื่อที่จะรบเล้าให้ข้าพเจ้าลืมความทุกข์แต่ว่าข้าพเจ้าหาได้เกิดความยินดีแม้แต่น้อยไม่ตรงกันข้าม กับเกิดความลำคาญงุ่นง่านใจประดุดกำลังถูกวานอนที่ซุกสนรบกวนข้าพเจ้าไม่ได้มองแม้แต่หน้าของสตรีสาวคนนั้นทอดสายตาลงต่ำแล้วก็นำจิตใจเข้าไปอยู่ในโลกหนึ่งของข้าพเจ้าเอง ทรงพศการเฉยเมยของข้าพเจ้าทําให้หญิงสาวยุติความพยายามบําเลิกข้าพเจ้าด้วยกายของเธอถดถอยออกไปจากข้าพเจ้านั่งนิ่งดูข้าพเจ้าอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พูดขึ้นว่ากุมานเอ๋ย hmm. บางทีท่านอาจจะไม่ชอบสัมผัสของสตรีแต่ท่านอาจจะชอบเสียงของสตรีข้าพเจ้าจะร้องเพลงขับเพลงให้ท่านฟัง mm hmm. ว่าแล้ว เธอก็หยิบเอาพินซึ่งเตรียมมาด้วยขึ้นดีดเป็นเพลงอันไพเราะด้วยนิ้วอันชำนิชำนาญต่อมาอีกครู่หนึ่งเธอก็ร้องเพลงขับพื้นเมืองของอังคับอันมีเนื้อความไพเราะดุดเสียงและขังเงินเธอร้องเพลงพรรณนาความงามของป่าเขาลำเนาไพรแห่งอังคาประเทศความสุขของชาวอังคะในอดีตกาลความรักของหนุ่มสาวความสุข อันเป็นทิปของเทพนิกายในสวรรค์ความไม่เที่ยนแท้แน่นอนของชีวิตแม้ข้าพเจ้ายังอยู่ในห่วงมหารทุกข์ข้าพเจ้าก็ต้องยอมรับว่าแขกแปลกหน้าของข้าพเจ้าร้องเพลงได้ดีเยี่ยมดุดนักร้องเพลงขับประจําสํานักทีเดียว ท่านชอบเพลงขับของข้าพเจ้าหรือไม่เธอถามหลังจากร้องเพลงเสร็จเมื่อไม่ได้คําตอบจากข้าพเจ้าเธอจึงกล่าวต่อไปว่าบางทีท่านอาจจะไม่ชอบเสียงของสตรีแต่ท่านอาจจะชอบการฟ้อนรําของสตรีข้าพเจ้าจะไล่ลําให้ท่านชมว่าแล้วเธอก็ลุกขึ้นเดินไปกลางห้องแล้วก็เริ่มไล่ลําในจังหวะและท่วงทํานองต่างๆด้วยท่วงทีลีลาที่ชำนิชํานาญ ดุดหญิงนักฟ้อนรำประําเทวสถานข้าพเจ้ามองดูด้วยสายตาเพียงกึ่งเดียวแล้วก็ก้มหน้านิ่งข้าพเจ้าไม่ได้รับความบันเทิงระเลิงใจแม้แต่น้อยจากศิลปะอันสูงส่งของเธอทั้งๆที่เมื่อก่อนข้าพเจ้าชอบการไร้รำเป็นชีวิตจิตใจ ทำให้ได้ข้อคิดอันหนึ่งว่าถ้าจิตไม่เปิดประตูรับอย่างเดียวอารมณ์ภายนอกแม้จะเลอเลอสะสักเพียงใดก็หามมีความหมายไม่ท่านผู้เจริญความตายของปัธรรมวดีกระทบกระเทือนต่อจิตใจของข้าพเจ้าอย่างรุนแรงจนกระทั่งทำให้ข้าพเจ้าเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความตายท่วงท่าไร้รำของเธอเป็นท่วงท่าแห่งความตาย แม้แต่หญิงสาวคนนั้นเองก็ปรากฏเป็นทูตแห่งความตายมาหลอกหลอนข้าพเจ้าเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงปราศจากความยินดีในที่สุดหญิงสาวผู้โสภาก็จำต้องจากข้าพเจ้าไปด้วยความล้มเหลวเช่นเดียวกับร้ายก่อนๆแต่ท่านบิดาก็คงไม่ลดละความพยายามที่จะช่วยนำข้าพเจ้าให้พ้นเพลิงทุกข์วันต่อมา ท่านได้นำปริภาชกแก่คนหนึ่งชื่อคิตตุรีเข้ามาในห้องของข้าพเจ้าพอมาถึงก็นั่งลงข้างหน้าข้าพเจ้าแล้วก็สาธยายฤกษเวทเป็นภาษาสันสกฤตอย่างยาวเยียด่ยม ข้าพระเจ้าฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ก็พอสรุปใจความได้ว่าท่านสวดมนต์สังเสริมองค์พรมผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงสร้างโลกและมนุษย์ผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์และสัตว์ทั้งปวงดูก่อนกุมารท่านกล่าวขึ้นหลังจากสวดมนต์จบแล้วเจ้าจงทราบเถิดว่าในสากลจักรวาลนี้พระพรมผู้เป็นยิ่งใหญ่พระองค์ทรงเป็นผู้สร้าง และพิทักษ์รักษาสิ่งทั้งปวงด้วยความรักเอาใจใส่ดุดมารดาดูแลบุตรน้อยคนเดียวของตนพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ทุกคนขึ้นมาและทรงลิขิตชีวิตของมนุษย์ทุกคนไว้ล่วงหน้าว่าจะให้ดีชั่วสุขทุกขเจริญหรือเสื่อมอย่างไรนาตอนใดระยะใดของชีวิตลิขิตของพระองค์เป็นสิ่งตายตัวแน่นอนไม่มีใครจะฝ่าฝืนแก้ไขได้ ต้องก้มหน้ารับลิขิตของพระองค์จนกว่าจะพ้นกำหนดการที่เจ้ากำลังประสบทุกข์อยู่ในเวลานี้ก็เพราะเป็นตอนที่พระองค์กำหนดให้เธอมีความทุกข์การที่ปัตมาวดีตายลงก็เพราะพระองค์ลิขิตให้ตายไม่มีทางใดที่เธอจะขจัดทุกข์คราวนี้ได้นอกจากก้มหน้ารับลิขิตไปจนกว่าจะหมดกำหนดเขตเมื่อพ้นกำหนดแล้วทุกข์ก็จะยุติลงโดยที่เธอไม่ต้องทำอะไร เพราะฉะนั้นขอให้เธออดทนคอยไปจนกว่าจะหมดกําหนดใิขิตนั้นเถิดข้าแต่ท่านผู้เจริญอัตถาที่บายของท่านปริพาชกแทนที่จะทําให้ข้าพเจ้าเกิดความจำแจ้งและหายทุกข์กลับทําให้เกิดความเครือบแคลงสงสัยและเป็นทุกข์มากยิ่งขึ้นข้าพเจ้าจึงเอ่ยปากถามท่านปริพาชกผู้เชี่ยวชาญในฤกเวศว่าข้าแต่ท่านผู้ทรงเวท ท่านได้กล่าวไว้ตั้งแต่ตอนต้นว่าพระพรหมผู้เป็นเจ้าทรงมีเมตตาต่อสัตว์ทั่วหน้าดุดมารดากรุณาต่อบุตรน้อยของตนไม่ใช่หรือถูกแล้วกุมารท่านปริภาชกตอบอย่างภาคภูมิก็เพราะความเมตตากรุณาของพระองค์ละสิพระองค์จึงทรงสร้างเราขึ้นมาและทรงให้กา ร, รบารุงรักษาเราไว้เป็นอย่างดี แต่ท่านปริภาชกข้าพเจ้ากล่าวต่อไปข้าพเจ้าเชื่อว่าท่านพระพรหมผู้เป็นเจ้าท่านมีเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์จริงข้าพเจ้าใคร่จะขอถามท่านว่าสมมุติว่าท่านอยู่ในฐานะเป็นบิดาและมีบุตรอยู่ในครอบครัวสิบคนท่านจะรักบุตรทั้งสิบคนและให้การอุปถัมบำรุงแก่เขาทั้งสิบคนเสมอหน้ากันหรือไม่ บิดาที่ดีก็ต้องให้ความรักและการอุปถัมภ์บำบุงแก่บุตรทุกคนโดยทั่วหน้ากันท่านปริพาชกตอบด้วยความมั่นใจก็เมื่อพระพรมผู้เป็นเจ้าอยู่ในฐานะเป็นพระบิดาของสัว์ช่นไนพระองค์จึงไม่รักบุตรในโลกนี้ให้เท่าเทียมกันเล่าอ้าวทำไมเธอจึงกล่าวเช่นนั้นล่ะท่านปริพาชกถามด้วยท่าทางงงงง ทำไมเธอจึงบังอาจกล่าวหาพระผู้เป็นเจ้าด้วยถ้อยคำรุนแรงเช่นนั้นเข้าพเจ้ากล่าวเช่นนั้นก็เพราะเห็นความไม่เสมอภาคทั้งหลายมีอยู่ในโลกท่านก็ทราบชัดแก่ใจว่าคนบางคนในโลกนี้เป็นเศรษฐีขุหบดีหรือราชามีทรัพย์มหาศาลบริโภคใช้สอยถึงชั่วลูกชั่วหลานก็ไม่หมดสิน้นแต่บางคนกลับเป็นยาจกวนิพก เลียงชีพด้วยการเที่ยวขอเขาบริโภคไปวันหนึ่งวันหนึ่งบางคนมีเกียรติยศมีอํานาจเที่ยวขมขีดเบียดเบียนผู้อื่นแต่บางคนก็ไรยศไรอํานาจต่ําต้อยน้อยหน้าถูกเบียดเบียนบางคนมีสุขภาพสมบูรณ์ไร้โรคคาพาธบางคนก็เป็นรังของโรคอ่อนแอเจ็บปวดตลอดกาลบางคนก็มีอายุยืนยาวเข้าขวบร้อยปี แต่บางคนก็อายุสั้นเกิดมาไม่ช้าก็พลันตายความไม่เสมอภาคความเหลื่อมล้ําต่าสูงความไม่ยุติธรรมเหล่านี้เป็นผลแห่งการกําหนดร่วงหน้าของพระพรหมหรือถูกแล้วท่านปริพาชกกล่าวด้วยสีหน้าไม่ค่อยจะจําสยนักถ้าอย่างนั้นข้อที่ข้าพเจ้ากล่าวว่าพระพรหมผู้เป็นเจ้ารักบุตรในโลกนี้ไม่เท่าเทียมกันก็ไม่ผิดจากความจริง ที่รู้เห็นกันอยู่ก็เมื่อพระองค์ทรงมีิคติเช่นนี้ก็แสดงว่าพระองค์ยังมีความลําเอียงอย่างเรื่องที่รักมักที่ชังพระองค์จึงไม่เหมาะสมที่จะเป็นที่เคารพสักการะของมวลชนข้าพเจ้ามีความเห็นอย่างนี้ใครจะเห็นอย่างไรก็ตามเถิดท่านปริพาชกนั่งก้มหน้าดิ่งด้วยจนต่อเหตุผลของขับเจ้าครู่ใหญ่ผ่านไปจึงกล่าวขึ้นด้วยเสียงอ่อยๆ ว่าในทัศนคของสามัญมนุษย์ลิขิตของพระพรมผู้เป็นเจ้าอาจจะดูไม่ยุติธรรมแต่ในฐานะพระผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ในสากลพระองค์ย่อมจะไม่ทรงทําอะไรโดยปราศจากเหตุผลพระองค์จะมีเหตุผลของพระองค์เองในการกําหนดวิถีชีวิตของคนให้เป็นไปต่างๆกันแต่ว่าปัญญาญาณอันจํากัดของมนุษย์ไม่สามารถจะร่วงรู้ถึง เหตุผลของพระองค์ได้ข้าพเจ้าไม่สนใจว่าท่านจะมีเหตุผลอะไรเป็นส่วนพระองค์แต่ข้าพเจ้าทราบดีว่าการกระทําของพระองค์เป็นอคติเพราะพระองค์กําหนดให้ชีวิตตอนนี้ของข้าพเจ้าเต็มไปด้วยทุกข์ในขณะที่ชีวิตของผู้อื่นเต็มไปด้วยสุขขอเชิญท่านนําพระพรมผู้เป็นเจ้าของท่านกลับไปเสียเถิดข้าพเจ้ายินดีจะสู้ทุกข์ด้วยตนเอง ดีกว่าจะขอความช่วยเหลือจากพระพรหมผู้เป็นเจ้าผู้ไร้ความยุติธรรมของท่านข้าแต่ท่านผู้ทรงพศ หลังจากได้พยายามหานักปราดและใช่อุบายต่างๆในการช่วยบรรเทาทุกขแก่ข้าเจ้าไม่ได้ผลแล้วท่านบิดาก็หมดหนทางและหมดปัญญาท่านไม่ได้ทำอะไรอีกฝากความหวังไว้กับการเวลาเพียงอย่างเดียวเพราะเชื่อว่าถ้าสิ่งอื่นใดไม่สามารถจะช่วยได้กาลเวลาย่อมจะช่วยได้ข้อนี้รู้สึกจะเป็นความจริงเพราะสังเกตดูตัวเองเห็นว่าความทุกข์ ได้ลดน้อยลงตามวันเวลาที่ผ่านไปแม้ว่าจะลดลงเพียงวันละเล็กน้อยก็ตามข้าพเจ้าพูดมาเสียยืดยาวจนเวลาจะร่วงเลยเข้าสู่มัชชิมยามแล้วก็ยังไม่ได้บอกท่านถึงสาเหตุที่ทําให้ข้าพเจ้าจากบ้านเมืองมาเดินทางมาจากกรุงราชฤท์ท่านคงจะเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางปรารถนาจะพักผ่อนหลับนอนเอาแรงมากกว่า ที่จะฟังเรื่องราวอันยืดยาวของข้าพเจ้าเสียกระมังข้าพเจ้าได้ตอบจุลพลไปว่าไม่เป็นไรหรอกอุบาสกอาตมาไม่รู้สึกเหนื่อยแต่ประการใดเรื่องราวของท่านเป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยอาตมาใกล้จะฟังต่อไปที่ต่อไปเช่นนั้นก็เพราะมีเจตนาจะช่วยเขาโดยเฉพาะเนื่องจากว่าบุคคลที่กําลังมีดวงใจอันแน่นอยู่ด้วยทุกนั้น ถ้าเพียงได้แต่เล่าเรื่องทุกข์ของตนให้คนอื่นฟังก็เกิดความสบายใจท่านสมณะผู้เจริญจุูรพลกล่าวต่อไปเย็นวันหนึ่งในขณะที่ข้าพเจ้ากําลังตกอยู่ในห้วงมานต ร, รุกนั่นเองท่านปุณกะเรษทีซึ่งเป็นสหายสนิทของท่านบิดาได้ไปเยี่ยมข้าพเจ้าบิดาของข้าพเจ้าได้เล่าเรื่องความทุกข์ของข้าพเจ้าและอุบายวิธีต่างๆ ที่ท่านกระทำมาเพื่อบรรเทาทุกข์ของข้าพเจ้าแก่ท่านปุณกะเศรษฐีฝั่งตั้งแต่ต้นจนอวสานแล้วก็ถามท่านเศรษฐีว่าท่านรู้จักหรือได้ข่าวว่าฤาษีมูดีที่ไหนบ้างที่ฉลาดในอุบายวิธีบรรเทาทุกข์สามารถจะช่วยเทศนาขาจัดทุกข์ให้แก่บุญชัยของท่านได้บ้างสหายเอ๋ยท่านปุณกเรษฐีกล่าวขึ้น หลังจากนั่งคิดอยู่สักครู่หนึ่งเขาไเจ้าได้ทราบมาว่าที่กรุงราชฤกษ์นครหลวงแห่งมคตรัฐมีท่านมหาหมุนีองค์หนึ่งนามว่าสมณาคโคดมพระองค์เสด็จออกบรรพชาจากสักยะสกุลแห่งสักกะชนบทพระองค์นั้นทรงเป็นอารหาันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียบพร้อมไปด้วยปัญญาที่คุณพระวิสุทธิคุณและพระมหากรุณาที่คุณ พระองค์ทรงฉลาดในการเทศนาวิธีและอุบายเครื่องระงับทุกข์เป็นยอดไม่มีศาสนาใดในชงปูทวีปทั้งสิ้นจะเสมอเหมือนเพื่อจะแสดงให้ท่านเห็นว่าพระองค์ทรงฉลาดในเทศนาวิธีสามารถบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบทุกข์ด้วยพระดำรัดแม้สั้นๆอย่างไรข้าพระเจ้าจะเล่าเรื่องบางเรื่องให้ท่านฟังตามที่ท่านได้ยินมา สมยหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารใกล้นครสาวัตถีราชธานีแห่งโกศลรัฐสมัยนั้นมีธิดาแห่งเศรษฐีในเมืองสาวัตถีนามว่าปักกา จ, จราได้หนีตามทาตชายของตนไปอยู่ในชนบทด้วยอำนาจแห่งความรักการเวลาผ่านไปจนกระทั่งนางมีบุตรหนึ่งคนและกำลัง ส่งคันบุตรคนที่สองจวนจะครบกำหนดกรอดเขาทั้งสองจึงตัดสินใจจะเดินทางไปสู่ตระกูลของบิดามารดาขณะที่เขาทั้งสองและบุตรน้อยเดินทางมาถึงกลางป่าใหญ่ก็พอดีเป็นเวลาใกล้ค่ำขณะนั้นเกิดลมพายุโหมพัดป่าส่งเสียงดําอูอูน่าหวาดกลัวในไม่ช้าสายฝน ก็ได้ดังไหลดังเทโรมาท่ามกลางความทารุณโหดร้ายของธรรมชาตินี่เองร่วมกรรมัชวาตก็ให้เกิดปันปวนขึ้นในคันของนางแสดงว่าบุตรในอุทธรใกล้จะคลอดนางได้บอกให้สามีจัดเตรียมที่กำบังฝนเพื่อจะคลอดบุตรสามีถือมีดเดินเข้าไปในป่า แต่พอเข้ามาถึงจอมปลวกแห่งหนึ่งก็ถูกงูใหญ่เลื้อยออกมากัดเข้านอนตายอยู่ข้างๆจอมปลวกนั่นเองในที่สุดนางปกาจราก็คลอดบุตรออกมาท่ามกลางสายฝนในป่าเปี่ยวนั่นเองเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อลมและฝนยุติแล้ว นางได้อุ้มบุตรทั้งสองเข้าไปในป่าเพื่อตามหาสามีในที่สุดก็พบร่างอันปราศจากชีวิตของสามีนอนอยู่ข้างๆจอมปลวกนางเสียใจร้องไห้อุ้มบุตรทั้งสองเดินทางต่อไป พอเดินทางพ้นป่าก็มาถึงแม่น้ําแห่งหนึ่งซึ่งมีน้ําขึ้นเออเต็มฝั่งเพราะยังอ่อนเพลียเนื่องจากการคลอดบุตนะรนางจึงไม่สามารถที่จะพาบุตรทั้งสองลุยน้ําข้ามไปได้พร้อมๆกันทั้งสองคนนางจึงเอาบุตรคนเล็กวางไว้บนฝั่งแล้วก็แบกบุตรคนโตลุยน้ําข้ามไปจนถึงฝั่งอีกข้างหนึ่งบอกให้บุตรคนโตคอยอยู่ที่นั่นแล้วก็ลุยน้ําข้ามมาเพื่อที่จะ รับเอาบุตรคนเล็กขณะที่นางกําลังอยู่กลางแม่น้ํานั่นเองนกเหี่ยวขนาดใหญ่ตัวหนึ่งซึ่งบินเวียนหากินอยู่แถวนั้นได้เหลือบเห็นลูกคนเล็กของนางนอนอยู่ริมฝั่งน้ําเข้าใจว่าเป็นก้อนเนื้อจึงโฉบลงมาพาเอาไปกินเป็นอาหารนางได้ส่งเสียงร้องไห้ยเ ย, ยวจนสุดเสียงแต่ก็ไร้ผลฝ่ายบุตรชายคนโตเมื่อได้ยินเสียงแม่ก็เข้าใจว่า แม่ร้องเรียกตนให้ไปหาจึงวิ่งลงสู่แม่น้ำและถูกกระแสอันเชี่ยวของแม่น้ำพัดพาจมหายไปความทุกข์เพราะสูญเสียสามียังไม่หายความทุกข์เพราะเสียบุตรน้อยทั้งสองก็ประดังเข้ามาอีก จนเหลือที่ดวงใจน้อยๆของนางจะทนทานได้นางได้ร้องไห้เดินระทดระถวยไปคล้ายกับคนบ้ามุ่งหน้าสู่นครสาวัตถีเพื่อไปหาที่พึ่งสุดท้ายคือมาดาบิดาในระหว่างทางจวนจะถึงนครสาวัตถีนางได้พบกับชายคนหนึ่ง ซึ่งเดินทางสวนมาจึงได้ถามถึงมารดาบิดาว่ายังสบายดีอยู่หรือใช่คนนั้นสายศีษะอย่างเหนื่อยหน่ายและตอบว่าอย่าถามถึงท่านเลยเมื่อคืนนี้ได้เกิดพายุฝนขนาดใหญ่ปราสาทของท่านเศรษฐีได้เกิดพังทลายลงทับท่านเศรษฐีภริยาและบุตรชายคนเดียวของท่านถึงแก่ความตายเขาได้นําศพของบุคคลทั้งสาไปเผาบนเชิงตะกอน เดียวกันแม้ขณะ น, นี้ควันจากเชิญตะกอนก็ยังคงพุ่งขึ้นเป็นกลุ่มควันมองเห็นอยู่น่นแนะ่พอได้ยินข่าวร้ายนั้นนางประกาจาราก็ถึงอาการวิป ร, ราชไม่สามารถจะครองสติสัมปชัญญะไว้ได้อีกต่อไปแม้เสื้อผ้าจะหลุดลุยออกไปจากตัว ก็ไม่รู้สึกนางได้เดินกระเสาะกระเซิงสมสารไปที่ต่างๆด้วยตัวอันเปล่าเปลือยและสกปรกม่อมแแมมพูดเพ้อรำพันฟังไม่ได้สับบางครั้งก็หัวเราะบางคราวก็ร้องไห้ บ่ายวันหนึ่ง ขณะที่พระบรมศาสดาพระสมณโคดมกำลังทรงแสดงธรรมแก่พุทธบริษัทอยู่ที่วิหารเขตวันปะกาจราหญิงบ้าก็เข้ามาถึงฝูงชนที่อยู่รอบนอกต่างบอกกันว่าหญิงบ้ามาแล้วหญิงบ้ามาแล้วและพยายามกีดกันไม่ให้เธอเข้ามาใกล้ทันใดนั้นเองพระบรมศาสดา ผู้มีพระมหากรุณาต่อสัตว์ทั่วหน้าได้ส่งทราบด้วยพยานว่าปกาจาราเสียสติสัมปชัญญะไปเพราะถูกมารตทุกข์ครอบงำจึงตรัสว่าอย่าห้ามปกาจาราเลยปล่อยให้เธอเข้ามาหาเราเถิดทันใดนั้นได้มีอุบาสกผู้ใจดีคนหนึ่งโยนผ้าพื้นหนึ่งให้เธอห่อหุ้มกายเมื่อปกาจาราเข้ามาณาที่ใกล้แล้ว พระบรมศาสดาได้ตรัสว่าปกาจราเอ๋ยขอเธอจงได้สติสัมปชัญญะกลับคืนมาเถิดอย่าเศร้าโศกเสียใจไปเลยอันน้ำในมหาสมุทรสาคทั้งสี่ถ้าจะนำมาเปรียบเทียบกับน้ำตาของเธอที่หลั่งออกมาเพราะการสูญเสียคนรักของรักตลอดเวลาอันยาวนานที่เธอท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏก็ยังนับว่าน้อยมาก ด้วยพระดำรัสเพียงเท่านี้เองปกาจาราก็กลับได้สติสัมปชัญญะต่อมาภายหลังเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาเพิ่มขึ้นอีกนางก็ได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์และได้บวชเป็นนังพิสุนี สหายเอย๋ยจากเรื่องที่ข้าพเจ้าเล่าให้ฟังนี้ท่านก็คงเห็นแล้วว่าพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงฉลาดในเทศนาพิธีเพียงไรยังมีอีกเรื่องหนึ่งอันแสดงถึงพระปีชาของพระองค์ซึ่งข้าพเจ้าได้สดับมาถ้าสหายปรารถนาจะฟังข้าพเจ้าก็ยินดีที่จะเล่าให้ฟังเล่าไปเถอสหาย บิดาของข้าพเจ้าตอบสนองด้วยความสนใจข้าพเจ้าชักจะเกิดความสนใจในพระบรมศาสดาพระองค์นี้เสียแล้วสหายเอ๋ยเมื่อไม่นานมานี้ข่าวใหญ่ที่แพรส่สะพัดไปทั่วจมพูทวีปก็คือข่าวองค์คุริมารโจรผู้ยินดีในการฆ่ามนุษย์ผู้มีมือชุ่มด้วยเลือดตลอดกาลผู้ตัดเอานิ้วมือคนมาร้อยเป็นพวงมาลัยสวมคอ ก็พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้เองเป็นผู้ปราบมหาโจรผู้นี้ให้สิ้นพยศแต่พระองค์ไม่ได้ปราบด้วยกำลังหรือพลหรือสัตร์อาวุธใดๆทั้งสิ้นแต่ปราบด้วยพระดำรับเพียงไม่กี่คำเท่านั้นเองเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งขณะที่องคุริมานฆ่าคนมาแล้วถึง999คนยังอีกเพียงคนเดียวก็จะครบหนึ่งพัน แล้วเขาก็จะเลิกฆ่าและบางเอิญคนที่จะครบพันนั้นเป็นมารดาของเขาเองเพราะในวันนั้นพระมหากษัตริย์กําลังเตรียมการจะส่งกองทัพไปปราบเขาฝ่ายมารดาของเขาเพราะข่าที่รักลูกเต่งว่าลูกจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตจึงได้แอบเข้าไปในป่าเพื่อจะพบลูกและแจ้งข่าวให้ลูกทราบแต่พระบรมศาสดาทรงทราบโดยพยานว่า ถ้าพระองค์ไม่เสด็จไปช่วยองคุริมานผู้เมามันขาดสติสัมปญยะขาดเหตุผลอย่างสิ้นเชิงแล้วจะฆ่าแม้กระทั่งมารดาของตนทรงดำริเช่นนี้แล้วพระองค์ได้เสด็จไปในป่าที่องคุริมานท้อนตัวอยู่ฝ่ายองคุริมานเมื่อเห็นบุรุษแปลกหน้าเดินมาก็ดีใจเพราะคิดว่าจะได้นิ้วครบรพันเขาคว้าได้อาวุธคู่มือคือดาบ แล้วก็ออกวิ่งไล่ทันทีแต่ด้วยอํานาจพุท ธ, ธานุภาพปรากฏว่าองค์คุลิมานวิ่งจนเหนื่อยอ่อนก็ไม่สามารถจะไล่ทันพระองค์ได้ในที่สุดจึงตะโกนเรียกให้พระองค์หยุดพระองค์ตอบว่าแล้วหยุดแล้วแต่ท่านซี่ยังไม่หยุดองค์คุลิมานย้อนตอบว่าท่านพูดมูสาเพราะท่านยังวิ่งอยู่จะเชื่อว่าหยุดได้อย่างไรพระองค์ตัดตอบว่า เราหยุดแล้วจากบาปอากุศลทั้งปวงส่วนท่านยังไม่หยุดทำบาปด้วยพระดำรัสเพียงเท่านี้อมกุริมานก็ได้สติสัมปชัญญะกลับคืนเขาได้โยนดาบและพวงมาลัยนิ้วมือมนุษย์ทิ้งแล้วก็เข้าไปถวายอภิวาสพระพุทธเจ้ามอบตัวเป็นสาวกสหายเอ๋ยนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แสดงให้เห็นเทศนาวิธีอันเยียบยอดของพระองค์ ทันทั้งหลายจงเปล่งวาจาวาสาธุสั ส, ส, ส, สอีกเรื่องหนึ่งอันแสดงให้เห็นอุบายวิธีแก้ทุกข์อัชญชานฉลาดของพระองค์ก็คือเรื่องนางกีสาโคตมีเรื่องมีอยู่ว่าบุตรน้อยคนเดียวของนางกีสาโคตมีได้ตายลงนางเสียใจร้องไห้ อุ้มร่างอันปราศจากวิญญาณของบุตรเที่ยวกระเสิกระเซิงไปในที่ต่างๆพบใครก็ออกปากขอยาสำหรับมาชุบชีวิตบุตรของตนให้ฟื้นขึ้นมาคนทั้งหลายต่างหัวเราะเยาะการกระทำอันวิปราชของเธอจนกระทั่งวันหนึ่งนางได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นและข อ, อยาตามเคยพระพุทธองค์ตรัสว่ายามีอยู่และยานั้นจะต้องมีส่วนผสม ของเมล็ดพันธุ์ผักกาดจากตระกูลที่ไม่มีใครตายเลยขอให้นางไปเที่ยวขอเมล็ดพันธุ์ผักกาดจากตระกูลที่ไม่เคยมีใครตายมาก่อนแล้วพระองค์จะประกอบอยาให้นางรีบอุ้มศพลูกตะเวนขอเมล็ดพันธุ์ผักกาดนางกล่าวจากเรือนโน้นสู่เรือนนี้ทั้งวันก็ไม่ได้พันผักกาดที่มุ่งประสงค์เพราะทุกบ้านทุกทุกหลัง ล้วนแต่มีคนเคยตายมาทั้งนั้นในที่สุดนางก็กลับมาเฝ้าพระพุทธองค์ด้วยมือเปล่าพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมให้เธอฟังเธอก็คลายความโศกไปได้ในภายหลังก็ได้บวชเป็นภิกษุณีและบรรลุเป็นพระอรหันต์ข้าแต่ท่านผู้ทรงพจน์หลังจากได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้แล้วข้าพเจ้าเกิดความสนใจในพระบรมาสารีร ถ้าสัมมาสัมพุทธองค์นั้นเกิดความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะไปพบพระองค์และขอให้พระองค์ส่งแสดงธรรมให้ฟังเมื่อสืบทราบว่าพระองค์ไปประทับอยู่ที่พระเวรุวันแห่งกรุงราชฤทธ์ข้าพเจ้าจึงอาราบิดามาดาออกเดินทางมาบิดามาดาของข้าพเจ้าก็อนุญาตด้วยความยินดีเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงได้มาพบท่านในวันนี้ วันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าจะรีบไปพบพระองค์ทันที